เพียงจะจมได้ทองได้อยู่หน้านั้นหน้านี้บทนั้นบทนี้หยั่นไ ด, ด, ด้คือ่อคันโบะมาปฏิบัติได้ประโยชน์น้อยคล้ายๆคือเอามีข้าวสุกได้หัวโบกินข้าวสุกมีแต่ว่าหิข้าวหูวข้าวหูวข้าว แต่เขามือเขามีอยู่ในกับมือเห่เาเหาโบกินมันก็บบมีประโยชน์เนี่ยกับการวาหิ้วเขาถ้าหา่าว า, ว า, วาเขาโบวาหเ้าเขากินลดไปเดียวอันนี้เป็นเขาแต่ห า, ากินมัอมนอินอ่มทองมันเป็นการทองบนสาทยายอยังเอาสวดมันดีแล้วแต่เอาปากอย่างที่เขาสวดพุดทธังสารนางขจานี้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 สังคังสลัลนังขจามิข้าพระเจ้าถือเอาพระส่งเป็นสลัสนะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกกาจัดไทยได้จริงแนะครับทุติยมติสาติยมติครั้งที่หนึง่งคิดของเฮตตาแต่ฮาวาทั้งนันถ้าเฮาวา ซ, ซื่อค่ายๆคือเขามีเขาเ้าแล้วเขาบุ ก, กิน ว่าใจหิวเขา้าหิวเขา้ขอเขาอะ่รบันไดเท้าเา ว, ว้าเหาะทั้งสวดทั้งจมแล้วเหาะก็เลยปฏิบัติคล้ายๆคือว่าเหามีเข้ายู่ในกับมือเขาอยากก็กินโล ด, โลดอิ่มเลยตัวของพระพุทธเจ้าดังนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเพิ่งสอนนะสอนมัตทุกผลพระสงฆก็สอนอย่างเดียวนั้น เนนก็สอนอย่างเดียวนะญาติโยมผู้หญิงผู้ชายกราสอนอย่างเดียวกันผู้น้อยผู้ใ้อยเราสอนอย่างเดียวกันนะโนะบว่าแต่เฉพาะคนถือศาสนาผูถือศาสนาใดก็ศึกษ า, าได้ไดคําสอนของของเจ้านี่ยเป็นสางกลางบ่ได้เป็นของใครทั้งนั้เป็นของสําหรับบุคคลผู้ที่มีปัญญา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 ขายคายตัว่าวขาวซื้อหิวข้าวหิวข้าวแก้กินตะเกียอเนี่ยหนึ่งบได้ประโยชน์อย่างไการพูดกับการทํานั้นจืงบูคือกันการกระทํเนี่ยทาให้มันรู้โมไดอยากรู้ทําซื้อซื้อทำซื้อซื้อทำเนี่ยทาซื้อซื้อเขาจิ้มอูจากว่าไอ้มันเป็นซื้อซื้อนีมันเป็นอย่างไรเขาจิมพูดจากว่าเนี่ยเน่าธรรมะนี่ว่าเป็นธรรมา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 ถ้าหากเขาวาซื้อๆแล้วเขาได้ประโยชน์เท่าที่ควรลูกหลานเขาก็จิดซื้อเอาบเป็นเลินรอดต่อไปสุดท้ายภายหลังก็จิตซื้อเอาบเปผิลบุกบุศลบูกจักวิสิชิตซื้อตอนนี้ผมไม่ทำให้พุทธศานสนาเจริญทัถ้าหากเขายูโดยสอบพระอรหันต์บอบว่างจากโลกนี้ อันนี้ก็ะซื้อว่าเขาได้ทำบำรุงคาขอพระอาหารหันต์ให้เกิดขึ้นกระซื้อว่าเขาได้ดํารงวงสระคุณทำให้พุทธศาสนาเจริญบนได้เขาเข้ามาบวชนามานุ่งเหลืองพ้มเหลืองแล้วทําให้พุทธศาสนาเจริญแม น, นนั้นเป็นเหมันแมนแบบบะแมนทําในเชีองแบกบะแมนเนียยังเผ็ดผิดอย่นี่ยทำผิดพูดผิกคิดผิกอยู่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 หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสัมมาอระหังนับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามลืมหองยุกอาณาปานาสสิดีทั้งนั้นบเส่นมันบูดีได้ดีทั้งนั้นถ้ามันแก้ปัญหาตัวเองได้ถ้าแก้ปัญหาตัวเองบ่ได้ให้ฐานปัญญาบัณฑุรักษาะจิตปัญญาบัณฑุภาวนาพุทโธหายใจเข้าหายใจออก นับหนึ่งสองสามสัมมา阿拉หังหายใจเข้าสั้นออกยาวลมหยาบลมลงเอียดหรือว่าอานาปานาัสาสิก็ออยังบ่ถูกเพราะมันแก้ปัญหาตัวเองโมไดเ้เพิ่นให้แก้ปัญหาตัวเองของหอทีเดียแล้วก็รู้จักคนหาทุกคนรู้จักดีรู้จักตัวรู้จักผิดรู้จักผู้ทำไมจึงรู้จักว่า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 บางคนเป็นพรอบ้านแม่เหือนอายุยี่สิบสามสิบปีตายแป็ก็นี้บางคนอายุสี่สิบปีห้าสิบปีตายไป็คนนี้บางทีอายุเจ็ดสิบปีแปดสิบปีตายเนา่าเข้าหลงไปเมื่อเคยรู้จักว่าชีวิตโตเมื่อเคยรู้จักจิตใจของตัวเป็นอย่างเกิดมาเสียสารเสียควมเป็นคนเยียดแท้ดินนะกินเขา้าเสียเขา้า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 แข้งขาดหน้าตามือเท้านะ่ะจิตใจบุษ้นนะ์ขนจิตใจยังเลวสามจําซาปัญญายัางนาแน่นคนอ้อนปัญญาอ้อนผมคิดเพื่อนว่าอย่าสั่งตัว อ, อันธรรมธทํมให้รู้สึกตัวการเคลื่อนไหวยกมือไปเอามือมาเลี่ยวหน้าเลี่ยวหลังนี่อันนี้ทำให้เกิดปัญญาเพื่อนว่า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 มันสิดยืดมัดทั้งเนื้อทั้งตัวเขานี่แหละเขาจีหัวเจ้าโอสภาพซีวิสจิตใจของคนต้องเป็ น, น อ, อย่างที่คือกันมดคือญาตาพระพุทธเจ้าเป็นว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราสัทธาโคดเนี่คือการนมัดทุกคนเมื่อบูหัวจักก็ต้องทําไปเฮตุไปเมื่อหัวจักเราก็เป็นสุขกันสัตช์ทั้งหลายเหมือนเราสัทธาโคดเหมือนกัน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 ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตาตาคนนี้เพราจะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตาตาคนนี้เตืนรู้เห็นเข้าใจบ๊ทม่นเาไปท่องไปสวดไปบนเลยเพิ่นว่าให้ปฏิบัติเอาเลยเพิ่นว่าให้หคือเพิ่นนั้นเล้เพิ่นเฮกยังไเของหัวใจนี้ตำรับตำลาต้องกระบอกไว้นี้ภาพภูริแจ้านั่นหน้าทีเ่เฮกยังนั้น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 ทุกต้องแนรของคนเจ้าวาคนนด็กไม่เนทุกต้องของคิดเอาผู้เดียวเด้ใครติตต่อกันเหมือนลูกโซ่ตรงนี้คำว่าจิตต่อกันเหมือนลูกโซ่นี่หมายถึงว่าการทำบวขัดตัวงบวชขัดสายนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำย่งางก็ทำกินข้าวกินน้ำก็ท ำ, เ ข, นนทำเข้าห้องน้ำห้องช่วงก็ทำให้ว่าการงานทุกสิ่งทุกอย่างให้ห่าเขิน้อยให้เหารูมาคนเอิน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 งานปัญญาจึงโบเกิดงานปัญญาบบเกิร์ด้ช่ค่ะต่อเมื่อเขาทำโทกจังหวะมานันี่ยงานปัญญาเกิดขึ้นเป็นว่าเอิญใหญ่ใหญ่าาหญาาหญเป็นเอิญมหานงานศาสนามาหานงานเป็นวางเนีมหานเทรวาสีนายนเป็นวางเป็นวางศาสนาพุทธแท้ๆเป็นใาญใหญ่ที่สุดเดียวเป็นศาสนามหาานถ้างานบบเกิดขึ้นกัน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 คนเอื้นมหาญานเป็นวันยังไงแล้วเอื้นศาสนามหาญานมันมีไปทางญี่ปุ่นทางพวกจีนพวกอันรในพวกเกาหลีเกาหลีที่ได้พวกบุหุจักมุนั้นศาสนามหาญานมันไปทางฝุ่นมาทางเขานี่มันเป็นถี น, าานัญญาเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยว่าศ า, าสานามาทางเขาที่อว่าคนโลน้อย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 พยายามผู้อื่นว่าให้เขาหลับก่อนให้ฟังทันทีเราไปเดียวผิดกระซังผูกกระตามผูกก็เป็นเรื่องของเขาผิดก็เป็นเรื่องของเขาผู้หั้นปไปจะนาชวีวาซื่อนี้เขาว่าเองได้ว่าถูกว่าผิดจ่าโอ้ถูกแล้วเขาก็ว่าเองผิดแล้วเขาก็ว่าเองอันจบมันว่าเองนั่นผู้ไหนวาไม่ใจเขาว่าบาเรื่องปัญญาว่าบาเรื่องวิญญาณว่า